สมมาดิสมมาสังคปรกสมมาวาจาสมมามันสมมา นาในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจในการที่จะเจริญกุศลกันอย่างต่อเนื่องเนาะอะตอนนี้ก็อันเดี๋ยวนั่งสงบเนั่นึงกันนะแล้ว เ, วเจริญพุทธคุณกันต่อเลยนี่เนาอตึกพุทธคุณกันต่อเดี๋ยวค่อยกราบที่หลังก็ได้อยู่ในจะนั่งเป็น ท่าที่สะดวกของเราถ้าสมาดก็ได้นะท่าที่เหมาะสมท่าที่เหมาะสมหรือใครนั่งถนัดยังไงก็นั่งรับตานะรลับตาเจริญพุทธคุณหรือการระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ที่เราได้สาธยายในบารมีสิบอุปปารมีสิบแล้วก็ปรมีธรมบารมีสิบของษาสดาว่าพระบรมศาสดานั้ น, นบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาวิริยคันติสัจจะอธิฐานะเมตตาแล้วก็อุเบกขาบารมีถ้าหากว่าเราใครครวร เป็นไปตามลำดับนั้นน่ใหม่ๆอาจจะพุ้งนะพระเจ้านั้นเน่ทรงตรัสรู้อริยสัจ ท, ทำได้โดยตนเองแล้วที่พระองค์ประกาศว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุก นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์เราท่านทั้งหลายถ้ามาพิจารณาอย่างเนี้ยกระแสขันเหล่านั้นพระศาสดาก็ทรงรอบรู้หมดสิ้นแล้วถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ว่าเป็นบุญญาลาภของเราเหลือเกิน ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยหรือรู ป, ประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยพยานของพระบรมศาสดานั้นได้สัมผัสแล้วสาพันยุตยานของพระผู้มีภาคเจ้าได้เคยสัมผัสกระแสขันทตาอายตนาของเราแล้วอนาวรณญยาณที่ พยานที่ไม่สามารถมีอะไรมากีดขวางก็เคยได้ทะลุทะลวงผ่านกระแสขันเราเรียบร้อยแล้วอินเดียโปรโปริยติยานพยานที่ไปรู้ความอ่อนความแก่ของศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาของเราพระองค์ก็ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าศรัท ธ, ธาของเราแข็งแรงไหมวิริยะแข็งแรงไหม สติสมาธิปัญญานั้นแข็งแรงและเข้มแข็งหรือไม่อาสยานุสยายานของพระศาสดาก็ได้ตรวจสอบดูอัธยาศัยดูอนุสัยกิเลสของเราว่าหนาแน่นยังมีอยู่ในกรมละสันดานอยู่รำมาหากรุณาสมาปัิภาน พยานของพระศาสดาที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงประทานกุศลศีลให้เราทั้งหลายที่นั่งกันอยู่เนี่ยบอกเธอทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยส่วนมากไปเกลื่อนกล่นอยู่ในเอเวจีโดยส่วนมากไปเกลื่อนกล่นอยู่ในสัตว์เดรฉานเปรตและก็สุรกาย สัตว์ทั้งหลายโดยมากนั้นลงอบายภูมิพระศาสดาบอกว่าตถาคตมีพระมหากรุณาที่คุณจึงประทานลัตนอันประเสริฐลัตนอันประนีตลัตนอันสูงสุดคือกุศลศีลเมื่อทรงประทานกุศลศีลให้บอกเธอทั้งหลายขึ้นสู่นาวาคือกุศลศีล น, นี้ไว้ อย่าให้ตกจากนาวาคือกุศลศีลเป็นต้นเธอจะได้ไม่จมลงสู่ในอบายภูมิอีกเพราะในสังสารวัรที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายไปท่องเที่ยวอยู่ในอบายภูมิเยอะฉะนั้นนึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระาศาสดาที่ต้องทนบำเพ็ญทานบรารมีที่เราสาธยายไปเนี่ย บำเพ็ญศีละบารมีเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาเวกขาต้องเพียรพยายามในการบำเพ็ญอุปปัฏบารมีสิบปรมาทบารมีสิบนับพบนับชาติไม่ได้ยอมเหนื่อยยากยอมลำบากยอมทุกทรมานเพื่อเราท่านทั้งหลายใ น, ว, นวันนี้ ถ้าไม่มีพระมหากรุณาที่คุณเนี่ยเราจะไม่รู้เลยอะไรคือกุศลศีลอะไรคือความทุศีลเราจะไม่มีหลักในการที่จะดำรงชีวิตเดินไปสู่แนวทางที่ถูกต้องเลยฉะนั้นพระศ า, าสดาเนี่ยเป็นผู้มีอุปอาราคาละคุณอย่างมากหาประมาณม่ได้เราท่านทั้งหลาย ได้มีโอกาสมาคิดถึงพระผู้มีพระเจ้าในวันนี้นับเป็นบุญญาลาบแล้วโดยมากกระแสใจของเราทั้งหลายแต่ละวันเนี่ยลองคิดดูดิเราก็คิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงปวดทักผ้าและธทำอารมณ์โดยมากก็น้อมไปในกามคุณที่เกี่ยวกับวัตถุกรรมใจเราก็หมกมุ่นอยู่ในกามคุณ โอ้ยฮะในการมาคุณแต่วันนี้เราได้มาชำระกระแสใจเราได้มาคิดถึงพระองค์ท่านได้มาน้อมถึงบรารมีของพระผู้มีพระภาคทานบรารมีของพระองค์เต็มแล้วศีลบรารมีก็เต็มเนคขมะปัญญาเป็นต้นก็เต็มหันมาดูเราสิตอนนี้กุศลธรรมบรารมีธรรมเหล่านี้ มันเข้ามาสู่ในกระแสความคิดของเราเนี่ยมากน้อยเพียงไรภศษาสดาทนเหน็ดเหนื่อยอย่างแสนสาหัสสละเม้กระทั่งดวงตาสละเม้กระทั่งชีวิตซักภายนอกสละบุตรภรรยานับพบนับชาติไม่ได้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะได้เห็นว่า เราเป็นทาตของภาษาสดาใน่ถูกแล้วนั้นต้องกล้าปฏิญญาณว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจักเป็นทาตของพระผู้มีพระภาคในสังสารวัตที่ผ่านมาเรายอมเป็นทาตกิเลสชีวิตก็เจ็บปวดมาในวันนี้เราต้องมามนสิการใคร่คกวนแล้วก็พิจารณาใหม่ว่า เราจะเดินตามรอยบาทพระศาสดาพระศาสดาให้บำเพ็ญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลให้เจริญให้อบรมให้มีให้เกิดขึ้นในกระแสใจเราให้เต็มให้บริบูรณ์พระศาสดาบอกว่าถ้าเราปรารถนาพุทธทิหรือโพธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าปรารถนาสัมมาสัมปวิิปเจกโพธิโดยเฉพาะปรารถนาสาวกะโพธิคือการเป็นผู้ฟังพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยเออเราต้องเดินตามท่านจริงๆเนะในใจของเราต้องไม่ให้ใจสกปกมันเกิดราคะโทสะโมหะที่มันรบกวนจิตใจเรานะ่คือใจที่ไม่สะอาด ใจที่โสโกพระศาสดาเป็นบุคคลที่มีใจสะอาดมีกายและมีวาจาสะอาดนะเรามีพระศาสดาที่ประเสริฐที่สูงสุดเป็นศาสดาเอกของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาของท่านถามว่าตอนนี้ เราคิดถึงพระผู้มียภาคเจ้าได้ถึงสิบหรือยี่สิบนาทีไหมอะไรหนอเป็นปัจจัยเราคิดไม่ได้เพราะเราชำนาญในกรรมคุณไงแต่มาวันนี้เราบอกว่าเราขอเดินตามรอยบาทาษาสดาเหมือนที่มันมาตั้งบอกว่าเออชมลมพุทธคุณใช่ไหม ก็คืออะไรคือต้องการที่จะบอกว่าเราจักมาและเลือกคิดถึงคุณของพระพูทมีพระภาคเจ้าถ้าเราไม่คิดถึงคุณของพระบรมศาสดาไม่เห็นคุณของพระศาสดาแล้วอะไรคือการเห็นโทษของสังสารวัตรเราจะไม่รู้จักคําว่าสังสารวัตคือคือกระแสของขันธธาตุอายตนะ ที่เกิดขึ้นสืบต่อกันตลอดสายหรือกระแสของชีวิตคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเกิดดับสืบต่อกันเป็นไปตามลำดับแล้วมันไม่หยุดเดินเนี่ยฉะนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้จะได้เข้าใจว่าอู้นี่แหละการที่เราเจริญพุทธานุสติไม่ได้ไงท่านบอกว่ากุลบุตรกุลธิดา ที่ปรารถนาจะเจริญพระพุทธคุณคือการระลึกถึงคุณของพระศาสดาให้นั่งสงบสติอารมณ์ขจัดบาปอากุศลธรรธมอลามกตรวจสอบดูซิตอนนี้กุศลศีลแข็งแรงไหมในกระแสใจเจตนาศีลเจตนาที่งดเว้นจากบาปปะธมทั้งหลายในใจมีไหมเจตสิกศีล มีความไม่โลภความไม่โกรธและมีปัญญามีสภาวะธรรมก่าคือวิรตีสัมมาวาจาสัมมาคมันตาสัมมาชิวะสภาวะธรรมที่เป็นงดเว้นจากบาปประธรรมทั้งหลายไปตัดรอนเวรเจตนาอกาุศลทั้งหลายที่จะเป็นเหตุแห่งการล่วงละเมิดทางกายกรรมวจีกรรมและทางมนกรรม ฉะนั้นสภาพของวิรตีเป็นสภาวะที่งดเว้นจากบาปได้ถามว่าถ้าใจเราไม่มีบาปใจจะขุนมัวได้อย่างไรแม้นั่งหลับตาใจก็ต้องผ่องใสเพราะเป็นกุศลศีลรองรับแล้วถ้าจิตฟุ้งซ่านอยู่แล้วไหนคือกุศลฉะนั้นต้องรีบจัดการเสียถ้ากามมาฉันทะกุ้มรุมมีความกำหนัดก็ขจัดกรมมาฉันทะทิ้งไปบอกว่า เราจักไม่เอาการมาฉันทะคือความกำหนัดบูชาพระพุทธเจ้าถ้าความขัดเคืองเกิดในใจความหงุดหงิดเกิดในใจก็จงข่มมันแล้วก็บอกว่าเราจกไม่เอาพยาบาทความหงุดหงิดฟุ้งซ่านบูชาภาษาสดาเ พ, พราะภาษาสดาไม่ต้องการคุณธรรมเหล่านี้ภาษาสดาสอนให้ละทีนามิทาหดหูท้อถอยเสื่องซึมเหงาหงอย ซึมเศร้าทำให้งอกง่วงเราเอาบาปมาผู้ชาวพุทธเจ้าได้อย่างไรต้องตำหนิตัวเองว่าไหนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าทำไมเป็นอย่างนี้อุทธจารพ่งร้านรับอารมณ์ไม่มั่นเลยต้องขจัดทิ้งด้วยการตั้งโยนิโสมนัสการ อวิชาคือความไม่รู้ก็ต้องกำจัดออกโดยมานาสิการว่าเสมอเหมือนหนึ่งว่าตอนนี้พระศาสดาประทับอยู่บนศีรษะของเราถ้าเรามานาสิการว่าตอนนี้พระศาสดาทรงประทับอยู่บนศีรษะบนกระหม่อมของเราแล้วแล้วจกมีความสำคัญและตันหนักถึงคุณธรรมสักแค่ไหน ว่าตอนนี้พระศาสดาทรงประทับอยู่บนเหนือศีรษะเราอยู่ถ้าคิดอย่างนี้บาปยังจะเข้าสู่ใจไหมถ้าบาปเข้าสู่ใจก็แปลว่าเราขาดธีริโอตปาเราขาดศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาทรงตำหนิบาปติเตียนบาปแต่เธอ ทำไมจึงให้บาปเกิดในกระแสใจเธอเล่าพระศาสดาก็ต้องตำหนิดโดยประการละต่างๆว่าสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ควรมนสิการตั้งใจให้บาปนั้นเน่เข้าสู่กระแสจิตจงมองหน้าพระศาสดาให้ออกว่าพระบรมศาสดานั้นทรงหวังอะไรในตัวพวกเรา เราจถาคตสั่งสมบารมีมาเพื่ออะไรพระศ า, าสดาตรัสเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยเห็นธรรมรู้ธรรมตัดสรู้ธรรมตามพระศาสดาเพื่อเรามีฉันท้าที่แรงกล้ามีฉันท้าที่บวกกับศรัทธาที่ตั้งมัน่นมีใจเด็ดเดียว กล้าที่จะเดินข้ามจากห่วงน้ำคือการโมคะห่วงน้ำคือทิฏฐิคือความเหม็นผิดห่วงน้ำคือพบการมาพบรูปประพบและรูปประพบห่วงน้ำคือความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริง ฉะนั้นทำไมไม่ตั้งสัตทินสีศรัทธาให้มั่นคงไว้ในองค์ของพระศ า, าสดาแล้วว่าพระศ า, าสดาตรัสรู้มาเนี่ยเพื่อขจัดบาปอากุศลธรรมลามกเธอกลัวอะไรเนพระศ า, าสดาบอกว่ายามใดที่เกิดความกลัวขนพองสยองเกล้าเกิดความไม่มั่นใจ ยามนั้นให้เธอทั้งหลายคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนั้นแม้เพราะเหตุอะไรแม้เพราะเหตุแห่งทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาอุเบกขา แม้เพราะเหตุแห่งบารมีสิบอุปปาบารมีสิบปรมัภะบารมีสิ บ, บ, สบที่เราตถาคตไงอบรมบัมเพลนม า, ายี่สิบสงคขยยิ่งด้วยแสนกลับเราจึงเป็นพระตถาคตเจ้าเราจึงเป็นพระาศาสดาเราจึงเป็นบรมครูเป็นาศาสดาเอกของโลก แม้เพราะเหตุนี้ตถาคตจึงได้สัตยรู้นุตตะสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นคําว่าอิติปิโสในีพระควาเนี่ยแม้เพราะเหตุนั้นฉะนั้นตถาคตได้ความเป็นพระพุทธเจ้ามานนเนี่ยได้มาเพราะเพียรบำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อพวกเธอทั้งหลายตถาคตเนี่ยมีศรัทธาในสัมมาสัมโพธิญาณ มีศรัทธาในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตต้องมีชันทะที่แรงกล้ามีวิริยะที่เด็ดเดี่ยวมีจิตที่มุ่ง ม, มั่นมีปรัญญาที่กล้าแข็งจึงสามารถเอาชนะขันธมารมัจจุมารกิเลสมาน อภิสังขารมาณและเทวปุทธมารได้ก็เราท่านทั้งหลายมีศาสดาที่แข็งแรงบอกแนวทางเปิดค้นทางบอกวิธีการเดินเพื่อไปสู่หลักคือความพ้นทุกอย่างนี้แล้วแล้วเราก็ได้อัฐภาพอันอุ ก, กฤษแล้วคือการได้เกิดเป็นมนุษย์เจอพระธรรมคำสอนของพระศาสดาแล้วเนี่ย เราจะมานั่งย่อท้อหรือมันั่งลังเลอยู่ใหญ่อะไรเป็นปัจจัยให้เรามัววิตกกังวลเพราะความไม่เชื่อมั่นในองค์ของภษาสดาในพระธรรมและในสาวกของภาษาสดาใช่หรือไม่เหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะการที่เรายอมพ่ายแพ้ต่อ บาปอกุศลและรรมนลามกมานานแล้ฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงภระศ า, าสดาอย่างนี้เรามีศ า, าสดาอยู่ใกล้ประทับใกล้นั่งใกล้คำว่าอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าเข้าไปนั่งใกล้ใกล้ชิดทั้งกายกรรมวจีกรรมก็นั่งใกล้แม้มนโนกรรมจิตใจของเราท่านทั้งหลายก็ต้องอยู่เกลียดใกล้ชิด เพื่อจะเงี่ยโสดสดับตั้งจิตรับรู้เพื่อฟังคำสอนของท่านเพื่อจะเพิ่มศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้กล้าแข็งทำใจให้เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นว่าถ้าศรัทธาเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่มีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ตัดสินใจเชื่ออย่างแน่นอนถ้าวิรยิยะ พระศาสดาทำให้ดูว่าเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปเถอะให้มันหายไปเถอะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็าตามทีถ้ายังตรึกพุทธคุณแม้คุณของพระศาสดาของตนเองไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะลุกขึ้นมาทำไม ก็ปล่อยมันแห้งไปต่อยเลือดมันหมดสรีละก็หมดไปเถอะเพราะคำว่าเป็นชาวพุทธและเราตั้งอัธยาศัยบอกว่าเออเราอยากจะเปิดเป็นชมรมเป็นกลุ่มที่มาลึกระลึกถึงคุณของภาษาสดาต้องระลึกให้ได้เนะ ถ้ายังไม่เห็นคุณของพระศาสดาการลุกจากอาสนะก็ไม่สมควรแก่เราเลยไม่สมควรหรอกเราต้องเขียนคุณของพระศาสดาทิเพราะเราเป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้า แต่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าไม่เดินตามพระพุทธเจ้าแล้วความเป็นบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าจกมีประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราจะเป็นเพียงแต่ชื่อแต่กายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมน้อมหน่วงนึกถึงคุณของพระศ า, าสดาของตนเองไม่ได้ เราจักเอาหน้าไปไว้ห เ, เหนแล้วเงันหน้ามองใครภาษาสดาสเสด็จอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วทำไมเราส่งใจไปทางอื่นทำไมไม่ส่งใจถึงภาษาสดาของตนเมื่อเรามีบรมคูมีศ า, าสดามีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นไปในเบื้องหน้าแล้วชีวิตเรากลัวอะไร เ้าห่วงอะไรเราห่วงวัตถุกรรมหรือวัตถุกรรมมันให้อะไรให้ความเจ็บปวดให้ทุกข์มันหลอกล่อเรากับสุขเล็กน้อยแต่มันตามมาด้วยความทุกข์พระศ า, าสดาบอกว่าัก ร, รมเนี่ยเป็นของร้อนเป็นของร้อ น, น, ออนมันแผดเผา มันให้ความเจ็บปวดมันให้ความผิดหวังที่สุดจริงๆผิดหวังหมดการปรารถนาตาหูจมูกลิ้นกายใจการปรารถนาทรัพย์การปรารถนายศการปร า, า, ยยารถนาบริว า, สารสัตว์เหล่านั้นผิดหวังหมดเ น, น่ก็ไม่เค็ดลาบฉะนั้นพระศ า, าสดาถึงบอกว่าเมื่อเธอมีความทุกข์ เมื่อเธอมีความกัดกลุ้มภาษาสดาเป็นสรณะพรภศษาสดาเป็นที่พึ่งภะาษาสดาเป็นเครื่องกำจัดภยัยภาษาสดาเป็นเครื่องกำจัดชาติภยัยภัยคือการเกิดพยาธิภยัยภัยคือความเจ็บปวดป่วยไขย้ชราภายัยภัยคือความแก่มรณภยัยภัยคือความตาย ความโศกความลำําไลลลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงไฟไหม้น้ำท่วมลมพัดโจรหรือถูกเบียดเบียนทั้งหลายล้วนเป็นภัยของกระแสชีวิตทั้งนั้นตอนนี้เรามีพระศาสดาพร้อมที่จะเป็นสารณะ พร้อมจะเป็นเครื่องกําจัดภัยพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งพร้อมที่จะเป็นเครื่องเน้เตินชี้ทางพระศ า, าสดาบอกว่าเธอทั้งหลายจงออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์น้อมเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นนหะคือพุทธคือสัมมาสัมพุทธะพระ อ, องค์ชี้อะไร ชี้ว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ในปัจจุบันและพบหน้าตลอดถึงไม่ได้เป็นประโยชน์หรือเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกเลยฉะนั้นการตั้งมั่นในคุณของภาษาสดาเนี่ยจะทำให้เราเกิดปลาโมดเกิดปิติเกิดความตั้งมั่น เกิดปัสสถิคือความสงบเกิดสุขโสมนัสขึ้นถ้าจิตมันเศร้าเพราะกิเลสมากุ้มรุมเราต้องตำหนิตัวเองโดยประการละต่างๆว่าพระศาสดาประทับอยู่บนศีรษะเราปล่อยให้กิเลสมาเดินเพ่นพ่านอยู่ในกระแสใจไม่สมควรแก่เราเลย ไม่สมควรเลยพระศาสดาบอกว่าดูก่อนมันถ้าเราจะสู้กับกิเลสสมานทั้งหลายคือราคาโทสามโมหะเนี่ย mm. ก็เหมือนกับเราอยู่ในสนามรบ mm. ก็คือเราอยู่ในสนามรบ mm. ถ้าเราแพ้หรือยอมแพ้หรือยกธงขาว เราก็กลับไปเป็นาธาตุแต่เรามีชีวิตอยู่แพ้กิเลสสมานเป็นต้นแต่การมีชีวิตอยู่อย่างการเป็นาธาตุของกิเลสแล้วมีประโยชน์อะไรการตายในสนามลบหรือในระหว่างการสู้กับกิเลสแล้วมีชีวิตดับไป ยังดีกว่าการมีชีวิตอยู่แต่อยู่อย่างผู้แพ้มีชีวิตอยู่แต่ยอมแพ้กิเลสแล้วชีวิตประเสริฐตรงไหนก็อยู่อย่างคนขาดคนกลัวคนแพ้คนยอมกับโลภะโทสะโมหะแล้วแต่เขาจะบงการนี่ไง ที่สุดจริงๆเราก็ยอมเป็นทาตของกิเลสหรือบาปอกุศลธรรมะลามกแล้วชีวิตที่เหลืออยู่แล้วอะไรคือความประเสริฐอะไรคือความประเสริฐเราไม่ได้มีความประเสริฐอะไรเลยถ้าอยู่แล้วถูกกิเลสจิกแล้วก็บงการเราก็อยู่แค่เป็นทาต เราไม่ได้เป็นไทยเราไม่ได้มีอิสระเราไม่ได้มีเสรีภาพใ ด, ดๆเลยเราไม่ได้มีความปลอดโปร่งโล่งเบาจากกิเลสทั้งหลายเลยที่สุดจริงๆเราก็แค่ได้เป็นแค่ทาสเป็นแค่ผู้รับใช้แล้วแต่เขาจับงการเขาให้เราไปเกิดเป็นอบายศสัตว์แล้วก็งอกๆทํทำกรรมไปเป็น ให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเราก็ยอมให้ลงอเวจีก็ยอมให้ลงนรกธรรมดาก็ยอมก็กิเลสบงการเราอยู่ตวเนี้แค่ดูเหตุก็รู้ผลแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นในกระแสชีวิตของเราถ้าเราฟังคำสอนของพระศ า, ศาสดาเราก็รู้แล้วตอนนี้ เรากำลังประกอบเหตุที่จะลงอบายภูมิเนี่ยทำไมเรายอมขนาดนั้นถ้ารู้ว่าเขาจะเอาเราไปล่ามโซ่เอาไปสนสะพายเป็นร้อยจมูกเอาไปบรรทุกเกวียนเอาไปเป็นปลาเอาไปเป็นอบัยศสัตว์แล้วก็ถูกตัดถูกเชือดเนื้อกินกรรมเหล่านี้เรา กระทำทำไมเมื่อเรามาพ่อภาษาสดาแล้วเนี่ยเราก็ต้องตั้งมัน่นอย่าไปอ่อนข้อกับเขาเขารู้จุดอ่อนเราภาษาสดาเห็นโทษของการปล่อยให้กิเลสไหลในกระแสของกายกรรมวจีกรรมโนกรรมภาษาสดาบอกว่าเธออย่าเดินทางนั้น อย่าเคลื่อนพลแบบนั้นมันเดินทางผิดมันเคลื่อนพลผิดแล้วปล่อยให้กิเลสเกิดขึ้นในกระแสจิตทำไมจงขจัดออกมันเกิดความหนักหน่วงเพราะจิตโสกระกไงเมื่อจิตโสกระกแล้วเมื่อไหร่จะเห็นธรรมของพระศาสดาแล้วก็ขจัดความโสกระบก ของกระแสจิตออกไปเสียทำให้เกิดความคล่องแคล่วในการเจริญกุศลทาให้เกิดความควญต่อการงานในการเจริญกุศลทำศรัทธาให้ตั้งมัน่นทำวิริยะให้กล้าแข็งทำสติให้แข็งแรงสมาธิให้ตั้งมัน่นและปัญญาให้เกิดอะไรคือปัจจัยของศรัทธา อะไรคือปัจจัยของวิริยะสติสมาธิปัญญาโดยส่วนใหญ่จับโยนิสโสมนัสิการทั้งนั้นนั้นโยนิสโสมนัสิการโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเหตุใกล้โยนิสโสมนสิการเกิดขึ้นจากการมณสิการในพระธรรมไงก็พระธรรมกำลังไหลอ ย, อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็น้อมตามนึกตามใคร่ครวนตามว่า พระาศาสดาตรัสรู้อริยสัจะตามความเป็นจริงตรัสรู้สัจญาแล้วพระาศาสดาตรัสรู้กิจญาแล้วพระาศาสดาตรัสรู้กตญาณแล้วพระองค์รอบรู้ขันธาตุอายตนะหมดสิ้นแล้วพระาศาสดาประกาศว่าตถาคตเป็นสัมมาสัมพุทธะเพระาะตถาคตตรัสรู้รอบสามอาการสิบสองตามความเป็นจริง ถ้าไม่ได้ตัดสรู้รอบสามอาการสิบสองตามความเป็นจริงทศกัณฐ์จะไม่ยืนยันว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะตอนนี้ได้ตัดสรู้แล้วได้เป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยเกิดทันคําว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยได้เพศอนุกิรขนาดนี้จะเอาอะไรอีกใช่ไหม ก็แปลว่าได้อริยทรัพย์อันบริบูรณ์แล้วก็เพียงแต่ว่าตั้งศรัทธามุ่งมั่นในพระคุณของพระาศาสดาให้เห็นคุณของพระาศาสดาจะได้เห็นโทษของสังสารวัฏฉะนั้นการที่เราปล่อยให้กิเลสเกิดอย่าลืมนะว่าเจตนาที่เป็นไปกิเลสเป็นอกุศลกรรมเนะถ้าจุดติจิตเกิด ในขณะ น, นี้อบายพมิก็เป็นที่ไป่เป็นเบื้องหน้าตรงนี้นี่แหละถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะได้เห็นว่าพระศาสดาทรงเห็นคุณเห็นประโยชน์แกเราท่านทั้งหลายจึงมองว่าการที่เราเนี่ยมาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยจะได้เป็นปัจจัยแกการที่จะทำให้ กระแสชีวิตของเรานั้นเน่มีการขัดเกลามีการเพิ่มพูนฉะนั้นถ้ากุศลไม่เดินอย่างต่อเนื่องไม่เดินอย่างยาวไกลถ้าไม่สามารถระลึกถึงคุณของพระศาสดาได้ยาวก็ต้องอาศัยเสียงคำสอนเนี่ยเป็นตัวปุกเราเป็นระยะระยะเมื่อจิตแข็งแรงเวลาเป็นนั่งอยู่ณนะคนเดียวอาสนะเดียว จะได้ระลึกถึงคุณของภาษาสดาได้อย่างยาวและอย่างต่อเนื่องตอนนี้ที่ต้องอาศัยพระธรรมเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจไปเนี่ยเพราะความที่เรานั้นน่กระแสจิตยังไม่เข้มแข็งยังวกวนกับเรื่องราวต่างๆใจยังโหยหาในการมคุณและในวัตถุกรรมอยู่ฉะนั้นถ้าหากว่าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้จะได้เห็นว่า พระศาสดาทรงมีพระคุณนันบเสดกับเราท่านั้งหลายว่าบางครั้งเราจะตามถึงคุณแค่เอาทานบารมีของพระศาสดามา ล, ลึกนี่ก็หาประมาณไม่ได้แล้วแค่คิดถึงแผ่นดินที่เรานั่งนี่ก็เป็นทนของทานบารมีนะของพระศาสดาเนอะเขาบูชาพระศาสดาทั้งนั้นศาลาที่เรานั่งอบลม อันนี้เขาเป็นผลที่เขาบูชาพระศาสดาหนังสืออุปกรณ์อาหารเครื่องนุ่งหม่มแม้อาสนะที่นั่งเนี่ยเรานั่งตรงนี้ก็คือเป็นผลทา น, นบารมีของพระศาสดาเนะที่เรานั่งทับทานบารมีของพระศาสดาแต่ไม่เห็นคุณของพระศาสดาหนะ้าคิดไหม แลกไหม่ะว่าเรานั่งอยู่บนที่ของพระศาสดาแท้ๆเนี่ยแต่คุณของพระศาสดาไม่เห็นพระทานบาบารมีไม่เคยปรากฏในใจเนี่ยอันนี้ทำไมจิตใจเรามันไม่อ่อนโยนเลยล่ะเขาบูชาพระพุทธเจ้าโดยทานกุศลเขาต้องการให้เห็นว่านี่ไงเขามีศรัทธาเขาจึงถาวายที่ตรงนี้เป็นพุทธบูชา ให้เราท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติกันโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเราว่างัน้นเนี่ยนี่แปลว่าเขาบูชาคุณไปแล้วนะเนี่ยพื้นแผ่นดินตรงนี้เขาถวายเป็นพุทธบูชามาตั้งหลายรอบหลายครั้งแล้วเราเอาที่ระลึกได้ถ้าเราน้อมดูว่าอดีตพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองแผ่นดินพื้นแผ่นดินโลกใบนี้ ท่านถวายโลกใบนี้เป็นพุทธบูชาไล่มาตามลําดับมายุคพระเจ้าอาโศกก็ถวายเป็นพุทธบูชาเยอะหมดขาถวายราชบัลลังก์เป็นพุทธบูชาแม้มาในประเทศไทยพระเจ้าตากศินก็ถวายอกอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยากู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชา แด่ศาสนาสามณะพระโคดมก็วถวายหมดแล้วแม้มาในปัจจุบันเจ้าของที่เขาก็บอกว่าเขาถวายเป็นพุทธบูชาแล้วเมื่อวานยังคุยกันมาบอกว่าขอถวายเป็นพุทธบูชาแล้วและอาสนัยเขาก็ถวายเป็นพุทธบูชาอาหารบริโภคที่เราดื่มเกันเข้าไป กับผลทา น, นบรมีของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะเขาน้อมถวายพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือว่าอาหารและชั้ลูกที่หล่อเลี้ยงกายเรายังถวายเป็นพุทธบูชาเลยอ่ะที่ทําให้เรามีความแข็งแรงนั่งอยู่ได้เนี่ยแต่เราใจแข็งใจของเราไม่ยอมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาปล่อยให้กิเลสเดินเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหน่าคิดก็ในรูปประคันของเราที่เป็นอาหารและชั้ลูกที่ปก รูปมรูปากายทั้งหลายเขาถวายเป็นพทุทธบูชาแต่เวทานาขันสัญญาสังขารวิญญาณาขันคือใจของเราเนี่ยกลับไม่โอนอ่อนไม่น้อมตามไม่คิดถึงคุณของพระศ า, าสดาเลยน่าคิดมไหมเออทํำไมเป็นอย่างนั้นเรามองรอบตัวเราก็เห็นคุณของพระเจ้าหมดแล้วแม้มองมาในรูปขันก็เห็นเหลือแต่นานมาขันของเรานั่นเองที่ไม่แข็งแรงที่ยังแข็งกระด้างที่ยังมีหนักหน่วงอยู่ ยังหยาบอยู่ยังหนักอยู่ไม่โปงภาระบอกว่าหัตถยาวัตถุที่มีโอชามาหล่อเลี้ยงที่เป็นที่อาศัยของนามาธรรมเนี่ยก็ยังเป็นผลของพระทานาบารมีของพระเจ้าแล้วใจเอ๋ยบอกงั้นทำไมถึงแข็งกระด้างไม่ยอมน้อมถึงคุณของพระศ า, าสดาแล้ว คิดถึงทั่วผิวหนังขุมขนก็เห็นคุณของ菩าสดาเห็นพระธานบารมีของ菩าสดาแล้วรูปขันภายในก็เป็นผลของธานบารมีของพระทเจ้าหล่อเลี้ยงอยู่ไม่ต้องพูดถึงรูปขันภายนอกที่เป็นดินน้ําไฟลมทั้งหลายที่เรานั่งทับกันอยู่เนี่ยสิ่งของนิจตาเห็นทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นผลพระทานอ ბ รมีของพระาศาสดาทั้งนั้นเดินไปที่ไหนก็เกี่ยวข้องกับคุณของพระาศาสดาแต่ไม่เห็นคุณของพระาศาสดาถ้าไม่เห็นบางครั้งก็เห็นด้วยจิตที่หยาบจิตที่เป็นบาปก็ขจัดบาปออกเสียตั้งความละอายความเกรงใจไว้ในพระาศาสดาบ้างว่าใช้สอย ผลทานใบ ร, รมีของ菩าสดาเห็นคุณของ菩าสดาน้อมน่วงนึกถึง菩าสดามุ่งมั่นในคุณของ菩าสดาได้แล้วเพราะเรารับผลพระทานใบ ร, รมีของของ菩萨 ส, สดาหมดแล้วเหลือแต่ใจเท่านั้นแหละที่ยังฝึกยากกล่อมเกลียากดูแลยากาจัดแต่ยากถ้าคิดอย่างนี้ใคร่ครวนอย่างนี้ ก็ค่อยรบ่อยๆถามใจตัวเองบ่อยๆว่าควรจะตั้งศรัทธาไว้ในพระพูทมีาคเย่าได้หรือยังเอาแค่ธานบารมีมานั่งคิดเอาใกล้ตัวมาคิดเอาสิ่งที่เรานั่งทับมาคิดเอาสิ่งที่อยู่บนศรีรษะเราเนี่ยที่เป็นไม้เป็นหญ้าที่มุงกั้นเนี่ยเอาข้างหน้าเราที่เป็นดินน้ำไฟลมที่เป็นผนังเนี่ยหรือเอาเสียงว่าทำเนี่ย ที่ไหลเข้ากูรูกระแสของโสตทวารวิถีเนี่ยโสตปภะสาทแล้วก็ลงสู่ใจเนี่ยเสียงพระธรรมที่มาพูดเนี่ยมาถวาย พ, พุทธบูชาเนอะและเป็นเสียงธรรมของพระเจ้านะเนี่ยผลของพระบารมีของพระเจ้านะที่มาถึงมารู้พระธรรมเนี่ยฉะนั้นเป็นของพระพุทธเจ้ามองให้เห็นคุณของประสาสดาอย่างนี้ สัตทินสีจึงจะโลดแล่นในกระแสใจความเพียรเดินออกจากบาปถึงจะกล้าสติจึงจะไม่ฟั่นเฟือนไม่เลืเล้เลอะจะได่ไม่หลงหลืมคุณของพระเจ้าสมาธิจะได้ตั้งมั่นที่คุณของท่านปัญญาจะได้ทำกิจในการวิจัยเห็นความละเอียดอ่อนของคุณอันนี้เป็นโลกิยะคุณเนะคุณที่เป็นโลกิยะธรรมเนะไม่ใช่พูดถึงในด้านของโลกุตระธรรม ที่เป็นบารมีของท่านเลยอ่ะแล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเลยเนี่ยฉะนั้นต้องน้อมจิตให้เห็นคุณของพระศาสดาจะได้รู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆว่านี่ไงพระพุทธเจ้านั้นอยู่รอบหมดเลยแม้อยู่ในกระแสขันกําลังเลี้ยงดูเราอยู่กําลังเลี้ยงดูกระแสของชีวิตแต่ลูปดินน้ําไฟลมที่ยังมีวิญญาณคลองอยู่ยไม่ได้ล้มพับลงเนี่ยเพราะมี อาหารที่เขาถวายเป็นพุทธบูชาหล่อเลี้ยงในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในไตในหัวใจในตับในปอดในไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารชลูกตอนนี้หล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเลยอะอาหารเหล่านี้ยังไม่หมดไปนะต้องรอเจ็ดวันนะที่กินมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งเนี่ยนั่นแหละคือภาษาสดา ผลของพระธานบารมีของพระศ า, าสดากำลังรักษากระแสชีวิตเราอยู่แต่นมามธรรมคือจิตใจของเราต่างหากไม่เห็นคุณท่านลองมานึกดูทีว่าอาศัยพระศ า, าสดาแต่ไม่มีกระตันอยู่ในพระศ า, าสดา และไม่ตอบแทนคุณโดยการเจริญกุศลเดินตามรอยบาทประศ า, าสดาเนี่ยเขาเรียกอักตันยูไม่เห็นคุณอักตาวทีไม่ตอบแทนคุณแล้วแล้วมงคลจะเกิดยังไงความเป็นอุดมมงคลอันสูงสุดจะเกิดขึ้นในกระแสของชีวิตของเราได้อย่างไรเราทำผิดมงคลข้อแรกแล้ว ข้อว่าไม่มีกระดันยูอ่ะข้อหนึ่งนะในบรรดาสามสิบสามสิบแปดข้อกระตันยูยังไมพุทธเจ้าสอนเรื่องกระตันยูให้รู้คุณของพระธรราคตไม่ใช่รู้คุณเพื่อพระพุทธเจ้าจะหวังอะไรในเรานะให้เรารู้คุณเห็นคุณตอบแทนคุณเพื่อชีวิตของเราเอง จะได้ไม่ตกต่ำจะได้ไม่ลำบากจะได้ไม่ต่ำต้อยถ้ายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่จะได้ฝังพุทธคุณเนี่ไว้ในกระแสใจอย่างมั่นคงไปนะที่ไหนเห็นคุณของพระศ า, าสดามไม่เคยเดินหนีจากพระศ า, าสดาเลยทางกายกรรมวจีกรรมเมตนกรรมจึงจะได้แค่ชื่อว่าอ so ุบาสกบาสิกาที่นั่งใกล้ชิดเข้าไปใกล้พระศาสดาจริง ตอนนี้ใกล้ไม่จริงเนี่เพราะไม่เห็นคุณของพระศาสดาเลยไม่เห็นพระศาสดากําลังอุปการละเราอยู่ทั้งด้านทานนกุศลเนี่ยไม่ต้องพูดศีลศีล น, นบัลมีเนกขมะและเอาทานในกุศลนมาวิจัยจะเห็นคุณของพระศาสดาให้แนบแน่นในคุณของพระศาสดาว่าเราเนี่ยเป็นข้าเบื้องบาตของพระศาสดาแล้วเราจะชดใช้อะไรดีเนี่ย พระศาสดาหวังอะไรหวังให้เราพอ่อกพูนคุณธรรมไม่เกิดขึ้นในกระแสใจแล้วค้นทุกเนี่ยพระศาสดาหวังในเราแค่นั้นแหละไม่ได้หวังอย่างอื่นว่าเราท่านทั้งหลายทําอย่างไรจะพ้นจากวัฏจัทุกข์ได้ที่ตถาคตเพียรพยายามบาเพ็ญบารมีมาเพื่อให้พวกเธอทั้งหลายได้อยู่ได้เนี่ยว่าไงถ้าไม่มีบุญของพระศาสดาศาสนาไม่อยู่ได้นะในไทยเนี่ย อยู่ไม่ได้หรอกเพราะบุญของาศาสดายังปกคุมกระแสขันเราอยู่ท่านั้นถ้าสำนวนออมาบอกว่าเพราะอาศัยบุญของศาสดาคุมกล้าวคุมกระหม่อมเราอยู่เท่านั้นเองความเป็นพุทธบริษัทของเรายัางคงอยู่เราจะเป็นพุทธแต่ในนามหรือจะเป็นพุทธโดยการปฏิบัติหรือการเข้าถึงก็ถามตัวเอง เราจะเป็นแต่ในน้ำก็ได้เป็นแต่ในน้ำก็ได้เราก็เป็นคนอภปมงคลไม่เห็นคุณไม่รู้คุณและไม่ตอบแทนคุณฉะนั้นเราไม่ต้องการตรงนั้นใช่ไหมเมื่อไม่ต้องการก็ต้องฝังรากลึกพุทธคุณ ลงสู่กระแสใจให้แนบแน่นว่าใครจะมาพากภาษาสดาออกจากใจเราไม่ได้อีกแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปใครจะพากไม่ได้เพราะเราน้อมในการที่เข้าใกล้นั่งใกล้พระพุทธเจ้าจริงๆ แม้จะตายเกิดแล้วอีกหลายล้านล้านอัตภาพใจของข้าพเจ้าจักไม่ภาคจกาพจกาพระศาสดาข้าเจ้าข้าพเจ้าจะฝังคุณของพระศาสดาไว้ในกระแสใจให้มุ่งมั่นถึงแม้บางพบบางชาติเกิดประมาทพลาดทั้งไปเป็นอบสยสัตว์ก็จะ ละลึกถึงคุณของพระศาสดาให้ได้ถ้าใครฝังได้ขนาดนั้นน่ไม่ธรรมดาเนะเหมือนพระโพธิสัตว์เวลาเกิดเป็นพยากระต่ายไหมในสสาบรันฑดตดนี่งันไปมองบนท้องฟ้าตอนเวลาราตรีเห็นพระจันทร์เต็มดวงก็รู้ทันทีวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำแปดาหรือแรม แปดกัมสิห้าัมหรือสิบสี่กับเขาเห็นศีลเห็นบารมีของพระศาสดาเขาเห็นพระศีลนะบารมีของพระศาสดาคือกุศลและศีลไงเห็นไหมว่าเขาฝังได้ท่านเหล่านั้นฝังได้ท่านจึงพ้นทุกข์ได้จึงเป็นพระพุทธเจ้าได้แม้อายศัตร์ซึ่งเป็นสาวกของพระศาสดาซึ่งไปพลาดพลั้งบางภพบางชาติ เขาก็เขาก็คิดได้เขาก็คิดคุณของพระศาสดาได้ในปัจจุบันอาภพนี้เราอยู่ในเพศที่อุกฤษแต่คุณของพระเจ้าของเราหลวมมากละหลวมมากวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดถึงคุณของพระเจ้าน้อยมาก ไม่ค่อยสมกับการที่เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเลยอถ้าเรามีบริษัทนี่นะเป็นของตนเองเนี่ยสมัยที่เรามุ่ง ม, มั่นเนี่ยหรือมีการงานมีวัตถุกรรมเป็นของตนเองเยอะๆวันหนึ่งเราคิดถึงเขามากจังเลยเช่นมีลูกนะเราคิดถึงลูกเวละกี่ร้อยครั้ง มีสามีมีภรรยาคิดถึงเขาวันลกี่ร้อยครั้งมีรับคิดถึงเขาวันลกี่ร้อยครั้งแต่เรามีศาสดาเป็นบรมคูเนี่ยมานานเราจะคิดถึงท่านวันหนึ่งบางครั้งแทบจะลืมพระพุทธเจ้ า, เาไปเลยเนี่ยฉะนั้นต้องปรับวิธีคิดใหม่สำหรับผู้ที่ปรารถนาจากพ้นทุกข์ทั้งหลายเนี่ย ถ้าไม่รักภาษาสดาไม่ศรัทธาในภาษาสดานั้นอย่าพุ่งอย่าไปพูดเรื่องงานพ้นทุกมันได้แค่ความอยากและจะไปพ้นทุกกับใครเดินตามใครฉะนั้นธรรมพิจารณาอย่างนี้จะได้เข้าใจตนเองว่าศรัทธาในภาษาสดาของเราน้อยจริงๆเพิ่ม เวลานี้ยังมีลมหายใจอยู่โอกาสในการที่จะเพิ่มในการที่จะรเลือกถึงคุณของ菩 า, าสดายังมีโอกาสอยู่เท่าที่ลมหายใจยังมีอยู่ถ้าลมหายใจหมดเราจะไปร้องเรียกหาพุทธคุณจากใครก็หมดโอกาสตรงนี้ก็ให้เราใขว่ควรมนนสิการให้เห็นคุณของ菩 า, าสดา แล้วก็ให้มุ่งมั่นในพระคุณของภะษาสดาแล้วก็อย่าลืมภาษาสดาว่าเรามีภะษาสดาเป็นไปในเบื้องหน้าเรามีภาษาสดาเป็นเครื่องกาจัดภัยกาจัดทุกข์พิจารณาในลักษณะอย่างนี้แล้วจิตใจจะได้เกิดความอาถรรพ์ล่าลึงแล้วก็ปลอดปองปลอดโปร่งจากกิเลสทั้งหลาย ก็ขอมูรน า, ากบเรานะที่ตั้งใจในการที่ระลึกถึงคุณของภาษาสดาได้ทําวัดสวดบนเสร็จก็เลยอาศัยช่วงตรงนี้ก็คือมาคิดถึงคุณของพระเจ้าแล้วก็น้อมถึงคุณของท่านไปหน้าที่ไหนอยู่ในยาบทไหนก็ขอให้ใจมีพระเจ้าเป็นอารมณ์ให้มุ่งมั่นเราจะได้มีพระเจ้าเป็นเครื่องคาจัดภยัยเป็นพี่ เป็นผู้นำเป็นไปในเบื้องหน้าในส่วนจริงจะสามารถพ้นจากความทุกข์เป็นต้นได้แต่ขอหมด่นนาไว้แค่นี้ก่อนนะ